ช่วงที่หนึ่งผ่านไปในการสาธิตรายละเอียดสำหรับกลุ่มกลุ่มที่เคยปฏิบัติมาก็ได้ทราบประสบการณ์เป็นบางส่วนจากพระอาจารย์ทีนี้ในสรุปบทเรียนในการสาธิตทั้งหมดเท่าไหร่เดท่านะปล่อยขา 2, ขสองขจมาชั้นเดียว3สามจมาสองชั้น4คาขจมาสาชั้นบางคนทำไม่ได้5ั้งชั้นเขา 6. นั่งคุกเขา่าเจ็ดนั่งทับส้น 8. ดพระเพียบซ้าย 9. พระเพียบขวาส0บนั่งแยกขาสิบอะไรนอนส2บสองยืนได้โคบโลหลหนึ่งพอดีนะเฉพาะเปลี่ยนอีบทนั่งนะก็สำหรับนอนนี้สามารถจะแยกได้หลายท่าไหมเมื่อกี้เรานอนท่าไหนนอนหงาย สองนอนอะไรมั น, นคว่สามนอนตะแคงสี่นอนสีหาสายญาติห้าคงไม่มีนอนพิสดารตัวนีนะ้ดังนั้นท่าต่างๆนี่แยกย่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าคำว่าทุกต้องกำหนดรู้เนี่ยมันจะต้องตามรู้ในจุดต่างๆของร่างกายใ น, นขณะที่เรานั่งแต่ละท่าเราได้เห็นอะไรบ้างจะถามว่านั่งแต่ละท่ามีจุดไหน มีจุดไหนของร่างกายบ้างที่กระทบกับพื้นนะก็สำรวจลงไปเพราะจุดเหล่านี้มันเป็นจุดที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะเราไปทับการไหลเวียนของการไหลเวียนของโลหิตนะเมื่อการทับการไหลเวียนของทั้งเลือดทั้งลมแล้วมันก็จะเกิดแรงต้านแรงต้านก็ให้เกิดให้เกิดหนัก นักก็จะเกิดให้เกิดทุกข์นะเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดจากการอานิจจังและขณะที่มันหนักแล้วมันทุกข์แล้วตามปกติคนที่ไม่ได้ฝึกฝนคนที่ไม่เป็นฝึกฝนอันเทรนนิน่งพี่ผู้นี่ก็จะเปลี่ยนทันทีใช่ไหมเปลี่ยนลักษณะโดยที่ไม่มีกระบวนการการเรียนรู้ในการเปลี่ยนไม่เห็นว่าการหนักหายไปอย่างไรเบา หายไปเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่เห็นขบวนการตรงนี้เราจึงได้ตัวรู้ชั้นเดียวคือรู้ในระดับสัญชาติญาณแต่เมื่อผู้ฝึกฝนแล้วเข้าใจแล้วมีศรัทธาและความเพียรมากพอก็จะตามรู้การเกิดขึ้นของความหนักตามรู้การดับไปของความหนักการเกิดขึ้นของความเบาการดับไปของความเบาในการเปลี่ยนท่าเราได้ความรู้ชั้นที่สอง คือความรู้ชัน้นดัวสติอ่าัวสติและเมื่อเปลี่ยนไปแล้วจุดหนักเบานี่ก็จะเพิ่มน้าหนักของมันขึ้นเรื่อยๆและตัวที่น้าหนักเพิ่มขึ้นแล้วมันขยายผลไปสู่ร่างกายส่วนไหนบ้างเวลานั่งนานๆความหนักที่จะโพกขยายไปสู่ที่ไหนเอวหลังใช่ไหมไหลและในที่สุดขึ้นถึงคอ อาการก็เป็นไงกลิงล้งเครียดเกิดขึ้นอาการทางจิตมีหรือยังจิตก็จะเกิดอาการอะไรเบื่อเซ็งอึดอัดขัดเคืองขัดแยง้งและโมโหตามลําดับนั้นคือเรียกว่าเป็นสมุทัยหรือยังที่เกิดกับกายเรียกว่าทุกข์ต้องกําหนดรู้แต่ถ้าเราไม่ได้ตามการทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเราไป เปลี่ยนทันทีด้วยความชอบใจไม่ชอบใจพอใจตัวชอบใจไม่พอใจอันเกิดจากทุกข์ที่เราไม่ได้กําหนดรู้เรียกว่าสมุทยัยเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้เป็นเหตุแต่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมุทยัยแต่ถ้าความทุกข์ของร่างกายเพิ่มขึ้นเกิจริงแต่ว่าเราไม่ได้สร้างความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะฉนั้นความทุกข์ของร่างกายเป็นสมุทัยไหม เพราะไม่มีชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกายจึงไม่เป็นสมุทยัยแต่มันเป็นธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาทางกายเพราะฉะนั้นอนิจจังทุขังอนาทางกายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมุทยัยแต่ว่าไม่ใช่ตัวสมุทยัยตัวสมุทัยคือตัวที่เราไปพอใจและไม่พอใจตัวหนักและตัวเบานั้นตัวที่ความพอใจไม่พอใจเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์เรียกว่าความอยาก อยากจะให้มันหายอยากให้มันสบายไม่อยากความอยากให้มันหายมันสบายเป็นกามะตัญหาแล้วความไม่อยากจะให้ความเบาสบายเนี่เปลี่ยนไปให้มันอยู่ได้นานๆไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนไปและไม่อยากจะให้ความไม่สบายที่มันเกิดขึ้นความไม่อยากทั้งสองประการนี้เป็นอะไรเป็นวิภาวะตัญหา like and dislike นะ และภาวะที่เราแช่อยู่ทั้งความสบายไม่สบายเรียกว่าภาวะตันหาถึงตันหาจึงเป็นสมุทยัยเพราะเราไม่ได้ตามรู้อ น, นิจจังทุกขังนาคาทางไหนทางกายเพราะฉะนั้นทุกจึงไม่ใช่อันตรายแต่อันตรายตรงไห น, นตรงที่เราไม่ได้กําหนดรู้หาเมื่อไม่กําหนดรู้ทุกนั้นจึงลุกลามไปสู่ จิตเมื่อความเกิดความอยากไม่อยากของจิตจึงกลายเป็นสมุทยัยนะเอาละทีนี้ในกรณีที่ผู้นั้นได้ฝึกฝนมาพอสมควรในทางที่ถูกว่ า, าทุกต้องกำหนดรู้นะทุกนี้ไม่ใช่ว่าเราไปแช่ไปเสกหรือไปผลักไปดันนะเมื่อเรามีการบำบัดทุกแล้วเกิดความสบาย ความสบายนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปแช่ไปเสกไปผักบดันแต่ความสบายนี้เป็นความรู้สึกอันหนึ่งการที่เขาไปตามรู้อย่างนี้แล้วว่าความทุกนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งที่ไม่ใย่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ความทุกนี้เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยกฎของไตรลักษณ์แล้วเข้าไปตามรู้อย่างนี้ตรงนี้เรียกว่ามักการเข้าไปตามรู้เห็นขบวนตรงนี้เรียกว่ามัก เข้าไปตามรู้บ่อยๆถ้าเห็นเฉยๆรู้เฉยๆโดยที่ทุกไม่เข้าไปสู่จิตด้วยเป็นมักอยู่ต่อเมื่อบำบัดทั้งกายทั้งจะให้เกิดสบายพร้อมกันทั้งสองส่วนเรียกว่านิโรธเกิดการผ่อนคลายเห็นไหมอันนี้คือกระบวนการของสมุทัยเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะหยิบขึ้นมาเป็น อริยสัจหรือไม่เนี่ยอยู่ที่เราแต่กฎของอริยสัจกฎของใต ร, รักทํางานอยู่ตลอดเวลาจะจะโดยวิชาหรืออวิชาทั้งหมดมีอยู่แต่ถ้าหากว่าทำต่อมันด้วยหลักของอวิชาทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสมุทัยของทุกขเป็นตัญหาเอาละทีนี้มาดูว่าตัวหนักที่เรานั่งไปทุกที่ไม่ได้กาหนดรู้และ ทุกที่ถูกบําบัดมีผลต่างกันอย่างไรทุกที่ไม่ได้กําหนดรู้มันก็จะเปลี่ยนเป็นไม่สบายกายแต่พอบําบัดไปปับ๊บความสบายกายก็ปรากฏเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวตลอดเวลาของเรานี้เคลื่อนไหวเพราะอะไรเคลื่อนไหวด้วยกฎของอะไรกฎของนิจังแต่ว่าเราเคลื่อนไหวเพื่อบําบัดใช่ไหม เพื่อบําบัดทุกขเวทนาทางกายเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวของเราก็คือสุขหรือทุกข์เราเคลื่อนไหวเพื่อสุขหรือเพื่อทุกข์อ๋อชัดสงสัยแล้วเราเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อสุขหรือเพื่อทุกข์เพราะเราเคลื่อนไหวเพื่อบําบัดทุกขเวทนานใช่ไหมเพื่อไปหาสุขเวทนานจึงเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอ่าแต่ถ้าเรารู้สึกนั่งสบายๆแล้วก็นิ่งๆก็รู้สึกว่ายังไม่ทุกข์เท่าไหร่พอทนได้นะ เพราะนั้นสุขแปลว่าพอทนได้ง่ายทุกแปลว่าพอทนได้ภลวาทุกแปลว่าทนได้ได้ยากสุขแปลว่าทนได้ง่ายเพราะนั้นภาวะที่ที่เราต้องทำคือพอทนได้พอทนได้คำว่าพอทนได้คือหลักมัชชิมาปฏิปทาทนได้ยากเป็นสุดตรงทางกามสุขานิการุโย ทนได้ง่ายนะเป็นสุดตรงการมวสุททนได้ยากเป็นสุดตรงทางอตักเรียมธานยโยแต่พอทนได้เป็นหลักของมัชชิมาปฏิปทาเพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าถามพระว่าขมริยังวุโยพอทนได้ไหมท่านพระก็จะเรา ว, ว่าขมริยังพันเตพอทนได้ขอรับถามว่าสบายดีไหมอะไรไม่ได้ถามอย่างนั้นนะเจอหน้าคขมริยังวุโยโต่อไปพวกเราต้องเจอกันแบบนั้นนะคอทนได้ไหม กูไม่ได้ทนกูสบายๆเนีย่ยมันก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งน ะ, ะนั่นตอบผิดความเป็นจริงมันต้องทนอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าทางกายหรือทางใจนะะอันนี้คือที่หลักอริยสีต้องต้องใช้เพราะฉะนั้นในหลักวิธีการนุกเัตถินี้เราเข้าสู่หลักอริยสีเลยโดยที่ไม่ต้องไปอ้อมค้อมในเรื่องของอเรื่องของฌานต่างๆไม่ต้องไปผ่านฌานเมื่อจิตของเรา ที่เราทำที่นู่นม่กี้เกือบเกือบชั่วโมงเนี่ยถามว่าจิตของเราสงบหรือไม่สงบสาหรับคนใหม่ขอถามหน่อยที่ไปนั่งโดนนี้เกือบชั่วโมงเนี่จิตของเราสงบหรือไม่สงบจะตอบว่าสงบ ก, ก็ไม่ใช่ไม่สงบ ก, ก็ไม่ใช่แต่มันตั้งมั่นในขณะนั้นตั้งมันน่นณปัจจุบันนั้นคือเรียกว่าสมาธิ ที่เอื้อต่อวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิแปลว่าหนึ่งสมหิโตตั้งมั่นสองปาริสุโทโธมีใครหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าคำหน้าดำข้าเคลียอนหมขณะนั้นไม่มีมีแต่ปาริสุทธโธคือแจ่มใสและปรอบปร่งและกรรมนิโยคือพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอเวลาไม่มีใครอึดอาดยืดยาดหรือทื่อทึมง่วงเหงาเศร้าซึมไม่มี มีแต่กรรมนิโยคือคล่องตัวพร้อมที่จะปรับปรเปลี่ยนได้แต่เวลามันนั่นคือหลักเขาสมาธิมีสามหลักปริสุทโ ธ, โธสมาหตโธและกรรมนิโยไม่มีคามํ า, า, คค ว, า, ว, า, าว่าสงบหรือไม่สงบสมาธิไม่มีสังคำนี้แต่คําว่าสมัธามีแปลว่าสงบหรือไม่สงบนะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงว่าในหลักของวิธีการหลวงพ่เทียนนั้นการเคลื่อนไหวจึงเป็ น, นกลไกของไตรลักษณ์การเคลื่อนไหวทางกาย เราก็ปรับอาการเคลื่อนไหวทางกายมาเป็ น, นกลไกของไตรสิขาด้วยผ่านสติสัมปชัญญะถ้าปรับตัวใจรักเป็นไตรสิขาตัวอกุศลก็จะไม่เกิดตัวอวิชาก็เกิดไม่ได้เพราะถูกปรับให้เป็นไตรสิขาไตรสิขาคือศีลสมธิปัญญาใช่มเพราะนั้นตใจรักตัวต้นชื่ออะไรนะอานิจังใช่ไหม ถ้าอา น, นิจังไม่ถูกขัดขวางหรือไม่ถูกไอสกัดกั้นแบบที่เรานั่งบล็อกเลือดลวมไว้ให้มันผ่านเนี่ยถ้าอา น, นิจังถูกบำบัดแต่พอดิบพอดีอดปับ๊บอา น, นิจังก็จะไม่เป็นทุกขงังแต่เป็นศิละปะอันสวยงามของร่างกายคือทนได้สบายเรียกว่าศีลร่างกายปกติปกติคือพอทนได้ถ้าทนไม่ได้ผิดปกติใช่ไหมอ่าสุขก็ทนไม่ได้ทุกข์ร่างกายผิดปกติแต่คนพอทนได้นี่ปกติใช่ไหม ปกติแปลว่าศีลอนิจจังขอให้เกิดศีลเมื่อเราตามรู้และปรับให้พอดีอนิจจังก็เปลี่ยนเป็นศีลทีนี้ในการที่เราคอยปรับเอาทุกขเวทนาออกจากร่างกายแล้วก็ตั้งใจแต่ละครั้งตั้งใจรู้ตั้งใจปรับตั้งใจรู้ตั้งใจปรับตัวทุกขงังแทนที่จะเปลี่ยนเป็นอนัตตามันเปลี่ยนเป็นสมาธิ ตัวทุกขังเป็นสมาธิได้อย่างไรเพราะรู้ว่าร่างกายเนี่ยเขาทนไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ปรับปรับเพื่ออะไรปรับให้พอทนได้ปรับบ่อยๆความไม่ชอบใจเกิดหัหยไม่เกิดเกิดความสบายใจใจปกติใช่ไหมใจไม่ถูกบีบคั้นใจไม่ถูกกดดันใจไม่เกิดปฏิฆะปรับให้สบายตรงนั้นเป็นสมาธิ สมาธิเป็นภาวะที่หอมใสตั้งมั่นและคล่องตัวนี่คือตัวทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิลักษณะนี้แต่นี่คือสมาธิแบบวิปัสนาแต่ถ้าทุกขังตัวนี้ไม่ได้ถูกบำบัดแต่ตั้งใจรู้เหมือนกันรู้ทุกแล้วกดทุกเอาไว้ไม่ต้องบำบัดสกัดทุกไว้แล้วจะอดทนให้เต็มที่เลยตั้งใจไม่เปลี่ยนบางคนนั่งได้สักรหลายชั่วโมงนะไม่เปลี่ยนได้ แต่ทุกตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นพลังของสมถะเรียกว่าเจตุและเจตุชนิที่จะออกมาเป็นพลังจิตพลังขันติพลังความอดทนและพลังตัวนี้จะกลายเป็นรวมจุดเป็นโฟกัสเป็นโฟกัสซึ่งจิตก็จะนิ่งเข้าฌานนนิ่งเข้าฌานจิตก็สงบไปตามําดับฌานที่หนึ่งที่สองนิ่งชุดแรกเรียกว่า วิโตวิจารณความคิดปรุงแต่งฟุง้งซ่านหายไปไปเข้าชาั้นที่สองปิติสุขเกิดนั่งไปนั่งมามันเกิดเบาสบายที่บางคนเข้าใจว่าอันนี้เป็นสภาวะใช่ไหมนั่งไปงนานนามันหายมันเองแต่คือชั้นที่สองอ่านั่งไปงนานนานเบาวบเลยใช่ไหมบางคนอ่านีชั้นที่สองปิติและสุขเกิดขึ้นอ้าวไปชั้นที่สามความอ่ะ ไม่สบาย่างกายหายไปความไม่สบายทางจิตหายไปจิตเป็นนิ่งหรือว่าจิตเป็นเอกคดานชั้นที่สามเพราะชั้นที่สี่ปรากฏว่าจิตเข้าไปสู่สติได้ อ, อปุปเเขาจิตนิ่งได้นานๆเฉยปวดเท่าไหร่ก็เฉยได้ละมันเข้าทุ่งที่ของมันละคาร์บอีโอฟินมันทางานเต็มที่ของมันละ นะอันนั้นเป็นฌานแต่พอมาเจริญสติแบบนี้เราไม่ต้องผ่านทานที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ต้องมาคับกายไปดูแลตัวรู้สึกตัวแล้วทําจิตให้รู้ซื่อในทุขที่เกิดขึ้นเลยเพราะนั้นคําว่ารู้ซื่อหของพ่อเทียนได้แก่ฌานที่4ี่นั่นเองคือเอาตัวสมาธิไปเป็นฌานที่สี่ทีเดียวคือรู้รู้ไม่ใช่ไปตามซ้ายหรือขวาตามพอใจไม่พปใจแต่รู้คือสติใช่ไหม ถ้ออาอุปเเกรดมีสติและ อ, อุเเกรดคือตัวดูเฉยๆเพราะฉะนั้น ร, รู้ซื่อๆืูรู้ซื่อๆรู้เฉยๆหลับเฉยๆได้ไหมหนูข้างล่้านี่หลับไปแล้วอันนี้เรียกว่าหลับเฉยๆนะคือรู้ว่าหลับเฉยๆแตๆ่แล้วเราก็จะพยายามเอาสติไปตามรู้เป็นการเข้าชานแบบวิปัสนาคุณจะทําอะไรก็ได้ ตักน้ําตามเข้าสักผ้าถูบ้านกวาดเรือนเข้าฌานที่สีได้เลยที่นักสมถะก็จะไม่เห็นด้วยกับหลวงพ่อพูดอย่างนี้อันนี้คุณพูดโมเมวนี่นะ่ะคุณมัวหรือเปล่าไอะลูกน้อง น, นี่นะเพราะอันนั้นคือฌานแบบสมถะที่เข้าแบบนิ่งสงบไปสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเนะี่ยเป็นสติและอุปกขาแต่ว่าเอามารับรองว่าสติไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่สมาธิและอุปเขาเพราะอะไรตัวนั้นเข้าไปสู่ผวังพ่อมาเคยเป็นแล้วเข้าไปสู่สมาธิแบบตัวแข็งแล้วเข้าไปสูมิติใหม่เลย อันนี้ก็จะกลายเป็นพลังจิตทําบอ่อยๆแล้วก็ไปใช้ในแง่ของพลังขลังศักดิ์สิทธิ์และมีพลังจะเสกน้ํำมาขากน้ํามูลพลน้ำไหลเอาแล้วก็ใส่ก็ไมได้ขลังหมดนะเพราะนั้นขี้มาขี้ยาหลวงพ่อหลวงตาออกมานี่ไม่ได้แย่งกันหมดเพราะมันขลังดีนะคือไม่จะไปเป็นไปเงี้ยเอาไปเสกน้ําน้ํำก็ขลังขึ้นมาก็เป็นสมาธิแบบพรามโดยโดยโด ย, โด ย, โดยไปเสกอิดหินดินทรายก็ขลังหมดเหมือนกัน พระรูปพระเหรียญต่างๆขังจริงไหมในกรณีที่พระองค์นั้นมีชานสูงขังจริงนะแต่ในกรณีที่ชานหลอกๆก็อย่างที่เราเห็นนั่นนะพระรูปพระเหรียญเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ามันขังจริงเนะี่ยคนผลิตพระมันจะไม่ตายเ อ, อนะโคนผลิตพระออกมานะมันจะไม่ตายมันจะขังตลอดชีวิตเลยเพงั้น แต่อันนี้คนผลิตพ้าออกมาก็ตายเหมือนเดิมท่าว่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปรู้ใครได้ว่าทําได้จริงไม่จริงนะดังนั้นที่แน่นอนที่เป็นพุทธที่พี่สูตรได้ก็คือตัวรู้ซื่อชัดๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆแต่รู้แบบรู้เนือรู้ต่ารู้ตัวทั่วพร้อมเราก็รู้เหตุรู้ผล น, นะไม่ใช่รู้แบบไม่รับรู้อะไรไม่ใช่รู้พร้อมที่จะปรับที่จะเปลี่ยนที่จะแก้ไขได้ทันที ดังนั้นอันนี้เป็นการตอบโจทย์เมื่อเช้าว่าสมถะแบบไหนเป็นพุทธและสมถะแบบไหนที่เป็นพรามณ์เมื่อเราไปสาธิตการสร้างจังหวะแล้วก็การเปลี่ยนยีบทนั่งถามว่าขณะนั้นใครปรุงแต่งนอกเรื่องนอกราวไปทางฟุ้งซ่านไปทางต่างๆไหมก็ปรากฏว่าไม่เคยมีนะเดีบางคนมีก็ไม่รู้นะแต่สังเกตได้รู้ว่าจะไม่มีแต่มีความแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็มีความพร้อมที่จะปรับ และเข้าใจได้เสมอนะมีทั้งบริสุทธิโธสมาหิโตและกรรมนิโยนะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนาได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะแต่อย่าไปคิดว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นสมถะหรือวิปัสสนาแต่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความรู้ตัวได้ง่ายนั่งตรงนั้นถ้าหเรานั่งรับากกดาบลมหายใจหนึ่งชั่วโมงไปไง วันนี้ขอพับขออย่งหลับไปหลายคนแล้วนะอันนี้ไม่มีใครหลับหรือทุกคนแจมไซและเบิกบานใช่ไหมอันนั้นคือหลักของสมาธิโดยที่นําไปสู่วิปัสสนานะทีนี้จากช่วงนี้เราสรุปบทเรียนจากช่วงนี้เป็นต้นไปเราอยากจะไปเดินจงกลมรอบข้างบนสักรอบทีอ่อสามรอบแล้วกันเนาะเป็นการประทักศิลป์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพุทธทาส หลวอพ่อชาอะไรก็แต่สมมติว่าท่านอยู่ตรงนั้นนะล้วก็เดินประทักษินท่านสามรอบแต่ว่าอย่าเดินไวนะเดินช้าๆสบายๆให้เป็นแถวเลียงสองจากนั้นเราก็นั่งปฏิบัติข้างบนสักพักหนึ่งแล้วลงมาสบุปสรุปบทเรียนกันกที่นี่ด้วยการถามปัญหาค่อยสงสัยทั้งหมดที่บรรยายมาทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ให้โยมมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่ให้มา ค้นคว้าหาความจริงด้วยการตั้งปญหาถามจากนั้นนะนะหลังจากนั้นก็ถือว่าจบรายการตอนนี้เราเตรียมตัวลุกขึ้นตั้งแถวไอ้สัมภาระเอาไว้ตรงนี้ก่อนเาไม่ต้องออาไปเนาะมีเจ้าหนี้กินรักษาอยู่ไม่หายแน่นอนเป็นแถวเรียงสองสำหรับผู้ชายพระจะเดินนำก่อนจนอัสมพง์กับจัสงบ นี่มุนพระก่อนแล้วผู้ชายตามพระไปเอาออกทางเราจะออกทางเดียวกันนะออกออกทางนี้ออกจากทางนี้ถ้าออกทางนั้นมันจะไม่ไปแถวแถวเรียงสองเราจะตรงไปขึ้นข้างหน้าไม่ก้่ขึ้นถน้นก่อนนะทั้งแถวเรียงสองรอผู้ชายเราตามตามพระไปไอ้อกรุณาสังเกตเวลาเดินนะยกก้าวเหยียบอะรพยายามมองโฟกัสที่ตัวเองจะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่น ช้าหรือเร็วนะเราก็จะรู้เหมืองการขยับปรับเปลี่ยนเรืองการรู้สึกตัวของเราที่เราสัมผัสได้แต่ละจุดแต่ละจุดเดินหน้าเลยนะบอกข้างหน้าเดินเลยนิยมผู้หญิงผู้ชายรู้สึกใกล้เคียงกันนะทุกครั้งอยู่ผู้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายวันนี้อยม่ชายก็พราเดี๋ยวพอหลังจากจบสามรอบแล้วเราจะนั่งปฏิบัติร่วมกันหน้ารละเบียงสักพักหนึ่งเพื่อที่จะปรับให้เห็นความแตกตา่าง